เพึงพากันตั้งใจให้ดีจะบรรยายธรรมะให้ฟังเนื่องจากว่าธรรมะกับชีวิตของคนเรานี่มันเกี่ยวพันกันมาคนที่ไม่รู้ธรรมะก็เอาตัวไม่รอดจากทุกผู้ที่เอาตัวรอดจากทุกได้นั้น รู้แต่รู้ธรรมะท้งนันเลยธรรมะนี่ต้องรู้ทั้งสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นฝ่ายกุศลอย่างหนึ่งเป็นฝ่ายอากุศลอันธรรมะอันเป็นส่วนโลกีนี่เนี่ยมันเป็นคู่กันมาอย่างนี้ส่วนโลกุตระเท่านั้นแหละเป็นกุศลธรรมอย่างเดียว ส่วนโลกียะนี่มีทั้งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นคู่กันมาในสงสารนี้บุคคลใดไม่ศึกษาให้รู้ทั้งสองอย่างเช่นนี้แล้วก็ไปคว้าเอาทั้งสองอย่างเลยบุญก็เอาบาปก็เอาเป็นอย่างนี้มาชีวิตของบุตุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลส ดังนั้นชีวิตของคนเรามันจึงต่ ำ, ต ำ, ตำสูงไม่เสมมเสมอได้เพราะว่าผลแห่งการกระทำทั้งบุญทั้งบาปนั้นมันก็ย่อมแสดงให้ปรากฏได้ในชีวิตปัจจุบันนี้บางคนก็มีลาบมียศสนรเสริญมาแต่เบื้องต้นจเจริญรุ่งเรืองมาดี <c oughs> ขั้นต่อมา ถึงวัยกลางคนหรือวัยแก่เอาราบจศตันเื่อมลงไปชีวิตคืออัตภาพร่างกายกดทุดโทมลงหาความสุขสบายไม่ได้อย่างนี้ก็มีอยู่ถมไปบางคนมีลูกมีหลานลูกหลานก็พึ่งไม่ได้ลูกหลานก็ไม่ค่อยจะเลี้ยวแล้วทอดทิ้งให้ พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายคนทุกข์ลำบากอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็มีเช่นนี้นี่จะไปโทษลูกหลานฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเองเลย <c oughs> เพราะตนเองทำไม่ดีมาแต่ก่อนกรรมไม่ดีเหล่านั้นมันมาให้ผลโดนบันดาลให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในวัยชรา อย่างนี้อ่ะทีนี้บางคนเอาได้ประพฤติตนให้เป็นคนดีมีใจอาีโอกอ้อมเอื้อเฟื้อเผือแพ่แกคนใกล้ชิดบ้างแกคนไกลบ้างก็แล้วแต่แหละอย่างนั้นมาแต่ชาติก่อนนูน่นพอมาถึงชาตินี้เข้าอย่างนี้ผลแห่งความดีที่ทำนั้น มันก็ตามมาอำนวยผลให้ถ้าเป็นคนเท่าคนแก่ก็มีลูกมีหลานห้อมล้อมอรักใคร่เอ็นดูอำนวยความสะดวกสบายให้แล้วก็ไม่ขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยอะไรแบบนี้นะได้รับความสุขสบายเหมือนอย่างเทวดาอยวนสวรรค์ห้อมล้อมไปด้วยลูกด้วยหลาน ก็มีอยู่ในโลกนี้นะนี่แหละลองสังเกตดูชีวิตของคนเราเนี่ยมันเนื่องอยู่ด้วยกุศลธรรมอกุศลธรรมดังกล่าวมานั่นแหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้คนเรานั่นนะ่ะศึกษาเรียนท ร, รมวินัยคำสอนของพระเจ้าหรือสดับตรับฟังให้รู้จักสิ่งที่เป็นบุญให้รู้จักสิ่งที่เป็นบาป เมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วก็พยายามเว้นมันไปให้มันหมดไปสิ้นไปจากกายวาจาใจสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเราเรียนรู้หรือได้สดับผัสตับฟังได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ลงมือกระทำบำเพ็ญด้วยความไม่ประมาทสั่งสมแต่กุศลทำให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจ กำจัดอคุศนธรรมออกไปไม่ให้มันมาแทรกแซงอยู่ในจิตใจถ้าผู้ใดปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วชีวิตของผู้นั้นก็ไม่ตกต่ำแม้จะเกิดไปชาติใดพบใดก็ย่อมมีความสุขสม่ำเสมอไม่มีคำชั่วมาตัดรอนหรือมาให้ผลในระหว่างแห่งชีวิตเพราะมันไม่มีบาปมันไม่ได้สะสมบาปไว้ เหมือนอย่างคนบางยุคบางสมัยเนี่ยมีอายุยืนตั้งหมื่นปีสองหมืนปีก็มีหลายขัวนั่นถึงแสนปีนั่นก็มีไอ้ที่เพื่อนมีอายุยืนเช่นนั้นก็เพราะว่าเพื่อนทําแต่บุญบาปไม่ทําชาติแต่ได้ก็ดีนั่นแหละมีแต่บุญอุปถัมภารุนชีวิตนี่ให้เป็นอยู่ไปดังนั้นบุญเมื่อมัน รวมกำลังกันเข้ามากแล้วมันก็ทำให้คนเรานั้นมีอายุยืนยาวนานไปเพราะว่าบุญมากนี้เมื่อบุญมากแล้วมันก็รักษาชีวิตนี่ไว้ได้นมนานทีเดียวอ่ ะ, อะเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างคนรับประทานอาหารอย่างนี้แหละเมื่อรับประทานให้จนอิ่มน้ำสำลานแล้วอย่างนี้มันก็หายจากความหิวไปได้นานพอสมควรทีเดียวอ่ะ กลัวมันจะหิวขึ้นมาอีกเพราะอาหารที่รับทานนั้นมั น, ม, นมีมากพอถ้าผู้ใดรับประทานอาหารเพียงเล็กน้อยไม่เต็มอกราอย่างนี้มันก็อยู่ไปไม่ได้นานหน่อยนึงก็หิวขึ้นมา อ, อ่ามันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยชีวิตของคนเราก็เป็นอย่างนั้นผู้ใดบำเพ็ญกุลกุศลมาแต่ชาติก่อนน้นน้อยอย่างนี้เกิดมาชาตินี้นะ บุญกุศลที่จนทำมาแต่น้อยเนะี่ยมันก็รักษาชีวิตนี้ให้เป็นมาได้ชั่วระยะหนึ่งไม่ไม่ทันถึงอายุไข่แล้วบุญหมดก่อนแล้วก็มีอันจำต้องตายจากโลกนี้ไปด้วยความอะไรอย่างยิ่งขอตายแต่ยังหนุ่มบ้างในวัยกลางคนบ้างอย่างนี้นะเนื่องจากว่าหมดบุญซะแล้ว <c oughs> อันนี้ควรสังเกตควรพิจารณาให้มันเห็นชีวิตของคนเราทำไมมันแตกต่างกันนี่นี่แหละด้วยอำนาจแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมสองอย่างนี้เองนะนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านย่อมเพียรละส่วนที่เป็นอกุศลธรรมออกไปจากกายวาจาใจให้หมดไปสิ้นไปสิ่งใดเป็นกุศล ต่อพยายามสะสมให้เกิดให้มีขึ้นในตนอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนมีปัญญาคนฉลาดจึงสามารถทําได้ถ้าไม่ฉลาดแล้วทําไม่ได้เรื่องมันนะเนื่องจากว่ากิเลสมันก็มีมายาไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะมันหลอกจิตใจคนไม่ฉลาดนะให้หลงไปตามกลมายาของมันไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยอื เป็นอย่างนั้นดังนั้นนะพระศาสดาจึงตรัสว่าปัญญานรานังรัตนังปัญญาเป็นแก้วอันวิเศษของนอรชนทั้งหลายดังนั้นจึงไม่ควรประมาทควรพยายามศึกษาอบรมปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนของตนเพราะว่า การละความชั่วทำความดีนี่ใครจะไปละให้ใครก็ไม่ได้ใครจะไปทำให้ใครก็ไม่ได้ต่างคนต่างละเอาเองทำเอาเองทางนั้นเลยทีนี้ถ้าว่าตนไม่มีปัญญานะ่ะมันจะไปละชั่วได้ยังไงอ่ะจะไปทำความดีให้มากขึ้นไปก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ถ้าพอมีความรู้ในทางศาสนาเช่นอย่างว่าอา้าวการไหวพระภาวนานี่นะ ก็เป็นบุญยคติยาวัตถุอันหนึ่งที่ท่านเรียกว่าภาวนาใหม่บุญสาเร็จด้วยการเจริญภาวนาอย่างนี้ถ้ารู้ว่าการภาวนานี่เป็นบุญกุศล จ, จริงๆอย่างนี้ผู้นั้นก็จะไม่เกียจคร้านการไหว้พระภาวนาเพราะว่าไม่ได้ลงทุนลงรอนอะไรแม้แต่บาทเดียวเอากายนี่เป็นทุนนั่งสมาธิเข้าไป ใจที่ยังไม่สงบลงก็พยายามตั้งสติสัมปชัญญะควบคุมจิตนี้เข้าไปให้มันสงบลงให้มันหยุดคิดตรงไปเมื่อทำใจสงบลงได้มีสติสัมปชัญญะประคองจิตนั้นให้สงบเป็นปกติอยู่ได้อันนี้ทีมันเป็นบุญกุศลมากนะมคนทั้งหลายเนี่ยไปมองเห็นตั้งแต่ทอดผ้าป่าบางสกุลทอดกระทิน หรือสร้างโบสถ์สร้างวิหารหมดเงินหลายล้านรูนจึงชื่อว่าตนได้ทำบุญมากอมองเห็นกันไปอย่างนั้นเรื่องมัวนะไม่ไม่มองเห็นเรื่องภาวนาสมาธินี่ว่าได้บุญหลายมองไม่ค่อยเห็นดังนั้นคนจึงไม่ค่อยสนใจในการไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาแม้แต่การฟังธรรมนี่ก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่คนส่วนมากคันวอกไปทาบุญในวัด ก็เพียงแค่ไปถวายทานอะไรต่ออะไรอบูชากสักการะบูชาดอกไม้ธูปเทียนต่อหน้าพระประธานเสร็จแล้วก็กรวดนะพระก็ให้พรญาติา์เสร็จแล้วก็กลับบ้านกันเท่านั้นไม่สนใจหรอกที่อยากจะฟังธรรมะคําสอนโดยถือว่าตนก็รู้อยู่แล้วธรรมะฟังอะไรทําศากอะไรนักหนาอ ดัง ต, ต่ว่าเรายังปฏิบัติไม่ได้เท่านั้นเองเรารู้อยู่ธรรมะธรรสอนคนส่วนมากว่าจะเป็นอย่างนี้หละมีความคิดความเห็นอย่างนี้ก็ เ, เพราะฉะนั้นเละจึงไม่สามารถที่จะสั่งสมบุญกุศลให้เจริญแก่กล้ามากขึ้นในตนเข้าตนได้อบุญกุศลอันเกิดจากให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นนะ่ะ มันยังไม่สามารถที่จะมากำจัดกิเลสบาปรธรรมนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้บุคคลที่จะละบาปอากุศลต่างๆได้นั่นมันต้องมาละกันที่ภาวนาเมื่อภาวนาทำใจให้สงบลงไปแล้วมันมองเห็นโทษแห่งการกระทําความชั่วนั่นๆด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วมันก็อธิษฐานใจละได้เด็ดขาดไปเลยมันเป็นยางน้น ถ้าว่ามันมองไม่เห็นทอดแห่งความประพฤติชั่วต่างๆหมู่นั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วน่ะมันละไม่ได้ละไปได้กับชั่วคราวเท่านั้นเละเดี๋ยวความอยากมันก็มารกเล่าจิตใจให้ไปประพฤติชั่วอย่างนั้นอีกต่อไปอมันเป็นอยู่อย่างนี้คนเราเนี่ยสายเหตุที่จะได้รับผลทั้งเป็นสุขทั้งเป็นทุกข์คบเข้ากันไปในสงสาร ก็เนื่องมาแต่ขาดปัญญายานอันวิเศษมองไม่เห็นเหตุผลของบาปกรรมความชั่วทั้งๆโดยแจมแจ้งโดยปัญญาจึงไม่สามารถที่จะถอนรากของบาปอากุศลออกจากดวงกิจนี้ได้ดังนั้นทุกคนขอให้พากันสนใจอันพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วจึงนำมาแสดง ให้พุทธมริรสทั้งหลายฟังสิ่งใดควรละเว้นนั้นแสดงว่าสิ่งนั้นถ้าบุคคลใดล่วงกระทำลงไปมันก็ต้องได้รับบาปกรรมแน่นอนถ้าสิ่งใดที่ทรงแนะนำสั่งสอนให้กระทำตามนั้นแสดงว่าสิ่งนั้น่ะเมื่อทำลงไปแล้วมันจะ เ, นเกิดเป็นผลดีแก่ผู้กระทำนำความสุขความเย็นใจ มาให้อย่างมหาศาลพระองค์จึงได้ทรงแนะนําให้พุทธบริษัททั้งหลายได้บําเพ็ญเช่น ด, ดังอธิบายมาเรื่องภาวนาใม่นี่แหละอแต่คนส่วนมากนะั้นมันสู้อํานาจกิเลสไม่ได้กิเลสปั่นใจเอาให้ฟุ้งซ่านเรื่อนลอยแล้วเลยไม่สนใจจะภาวนาอภาวนาก็ไม่ได้ดอกตัวนะี้จิตใจไม่อยู่นะอืม เท่านั้นแหละแล้วก็เลยงดนั่งสมาธิภาวนาแต่แท้ที่จริงเนี่ยมันเข้าใจผิดไปนี่การที่พระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาสมาธินั้นก็เพราะเหตุว่าจิตใจคนเราเนี่ยมันไม่สงบก็จึงสอนให้นั่งสมาธิภาวนาเพื่อจะได้ควบคุมจิตที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนั้นให้มันยุติลงให้สงบลงเป็นหนึ่งต่อไปถ้าหากว่าไม่ควบคุมอย่างนี้ไม่ภาเพี้ยนอย่างนี้แล้ว จิตนี้ก็จะไม่มีทางสงบระงับเลยจะฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเกาะไปคล้องในเรื่องต่างๆดีบ้างชั่วบ้างอยู่ในโลกอันนี้นะเป็นอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นผู้มีใจิตใจเป็นอย่างว่านี่นะตายลงอย่างนี้อืมอย่าไปนึกว่าจะไปสวรรค์ได้ไม่มีทางแล้วสวรรค์แปลว่าสถานที่เลิศที่พระเสติ์ บุคคลใดจะไปเกิดแล้วก็จะมีความสุขความสําราญเบิกบานใจตลอดเวลาไม่มีทางจะได้ไปเกิดผู้ใดไม่ฝึกฝนจิตใจตัวเองไม่ควบคุมจิตใจตัวเองให้ตั้งลงในปัจจุบันให้ละอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตอืมัวแต่ปล่อยใจให้ส่งไปเกาะไปคล้องอยู่หลงสมมุติหลงบรญญัติเข้าไป อันนั่นก็ของเราอันนี้ก็ของเราอยู่อย่างนั้นเนียแล้วมันจะไปสวรรค์ได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันพอใจอยู่ในโลกนี้ตายจากรูป ก, กายอันนี้ออกไปมันก็ไปหาเกิดกับรูปกายใหม่ต่อไปอีกอมันชอบใจกับมนุษย์มันก็ไปเกิดกับมนุษย์อีกมันชอบใจกับสัตว์ดิเรกชนมันก็ไปเกิดกับสัตว์ดิเรฉชันอีกมันชอบใจกับสัตว์นรก มันก็ไปเกิดกับสัตว์นรกชอบใจยังไงอ่ะชอบใจทำตนเป็นคนโหดร้ายทารุณไม่มีเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่ล่ะเรียกว่าเป็นผู้ชอบใจวิถีทางของสัตว์นรกไม่ยอมให้เอาไคแกใไรตอไ่อใครอ่าที่มาล่วงเกินตน เ, เขาด่ามากก็ด่าตอบเขาตีมากก็ตีตอบ ถ้าไม่สามารถจะตอบเขาได้ในปัจจุบันก็ผูกอาคาดไว้เมื่อเขาเผลอเผลอมาใดก็แก้แค้นเมื่อนั้นอันนี้เป็นวิถีจิตของสัตว์นรกผู้เป็นเช่นนี้ตายแล้วก็ต้องไปเป็นเพื่อนสัตว์นรกอยู่ในนรก น, นู่นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงจิตดวงเดียวนี่แหละจะไปสวรรค์จะไปนรกจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นสัตว์ตีไรฉาน อะไรก็ต้องรู้ดวงจิตตัวเองนี่น่ะใครทุกคนแหละอ<ว>รู้ได้ทุกคนเลยทีเดีย ว, วอืออย่างนี้แหละถ้าเราเรียนรู้นะเรียนรู้ธรรมของสัตว์นรกเป็นยังไงธรรมของสัตว์ดิเรฉานเป็นยังไงธรรมของมนุษย์เป็นยังไงธรรมของเปรตเป็นยังไงธรรมของสัตว์นรกเป็นยังไงเราเรียนรู้ดังที่ที่แจ้งให้ฟังมานี้แล้ว แล้วก็มาดูจิตใจตัวเองก็รู้ได้เลยว่าจิตใจตัวเองเป็นอะไรแบบนี้นั่นถ้ารู้ว่าจิตตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรมันมันยึดเอาเรื่องไม่ดีทําไม่ดีไว้มันจะขอให้ไปเกิดในที่ไม่ดีอย่างนี้เราก็รีบละอารมณ์เหล่านั้นเสียอย่าไปยึดไปถือมันการปล่อยจิตให้ไปเกาะไปคล้องอยู่ในภายนอกนั่นะนั่นนะ่ะมันเป็นภัยที่ร้ายกาจทีเดียว มันทําให้บุคคลเราไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปพระนิพพานก็ไม่ได้พระนิพพานยิ่งห่างไกลเอ่ะไม่มีทางนะเนืงนั้นผู้ที่อยากไปสวรรค์ได้ไปพระนิพพานได้ล้วนแต่มาสํารวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอพยายามไม่ปล่อยให้ใจมันหลงละเมอไปในทางอากุศลไม่ปล่อยให้อกุศลต่างๆมาแทรกแต่งขึ้นมาในจิตใจ เช่นความโลภความโกรธโมนี้นะจะมาเห็นมายัย้งอยู่ในใจได้นมนานกําหนดละมันไปเรื่อยๆเลยในอย่างนี้แล้วมันถึงจะไปสวรรค์ได้ไปพานิพานได้มันถึงใกล้ต่อพานิพานการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ขอจะได้ลืมจิตลืมใจตัวเองถ้าผู้ใดไม่มาเพ่งดูจิตใจตัวเองไม่ควบคุมจิตตัวเองนี่ แม้ว่าจะได้สดับตรับฟังคงําสอนของพระพุทธเจ้ามากมายเท่าไหรก็ตามหรือว่าจะได้ดูสําหรับตํำราทำคำําสอนของเจ้ามากมายอย่างไรก็ตามเลยช่วยไม่ได้แล้วําหรับตําราก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าตนไม่สามารถควบคุมจิตนี้ได้แล้วเนื่องจากว่าทำทั้งหลายที่เป็นกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดี ร่วมแต่มีใจเป็นใหญ่เป็นประธานทั้งนั้นใจเป็นผู้สร้างขึ้นทั้งหมดเลยนี่ดังนั้นถ้าว่าตนควบคุมจิตนี่ไม่ได้แล้วจิตนี่มันจะไปสร้างกุศลให้เกิดในใจมากๆอย่างนี้มันก็ทาไม่ได้เพรแบ่งเป็นสองภาคเอาบางคราวใจหนึ่งผัดไปตกไปในอกุศลอย่างนี้เอาบางคราวใจหนึ่งผัดนอ ม, มาทางกุศลมันก็แย่งกันอยู่อย่างนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าจะให้บุญกุศลมันจเจริญงอกงามขึ้นได้โดยส่วนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันแบ่งไปทางากุศลด้วยดังนั้นผู้ใดทราบอย่างนี้แล้วคอพึ่งพาควกเพื่อพากันควบคุมจิตดวงนี้ให้มันได้ให้ตั้งมั่นลงไปในบุญในคุณพ r ร t h ตน a ไกลนี้ให้ได้เราจะปล่อยจิตนี้ให้อยู่เฉยๆให้เลื่อยเฟยไปนนะโดยไม่ควบคุม แล้วจะให้จิตนี่มันไปตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้โดยส่วนเดียวเลยไม่มีทางขอให้เข้าใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรแล้วเพราะว่ากิเลสตัณหาสิพอเราเผลอสติเราเผลอตัวเท่านั้นไม่ควบคุมจิตท่านั้นกิเลสตัณหามันก็มาชวนจิตนี้ให้คิดไปทางไม่ดีแล้วให้ให้เห็นไปในทางชั่วนนท์ว่าเป็นทะของดีไปแล้วมันเป็นอย่างนี้ เราจึงเผลอตัวไม่ได้นั่นแหละปุถุชนนี่นะส่วนพระอริยบุคคลนั้นนะบาปกรรมความชั่วในท่านละขาดหมดแล้วมีแต่กุศลอย่างเดียวอยู่ในใจของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่จำเป็นต้องไปรักษาอะไรให้ลำบากเนื่องจากว่าท่านถอนรากของบาปอากุศลออกได้หมดแล้วมันไม่มีทางงอกขึ้นในดวงขีดของท่านได้แต่ปุถุชนคนเรานี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ เรายังถอนรากของบาปอกุศลอย่างไม่หมดให้เข้าใจในตัวเองอย่างนี้ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามอบรมจิตใจนี้ไปเจริญสมาธิให้เกิด